อนาปฏิวานพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1 1 6่งพิกษบิุณีไม่รู้จึงบวชให้สองพิกุณีวิกลจริต 3. ภพิกุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่5จบสิกขาบทที่9จบ